พุทธังสรณังคัจฉามิพุทธัง <coughs> Thamang Serenang Kacami Thamang Serenang Kacami Thuk Ti Jamfi Sangkhang Serenang taught him per make up ة him per make เจริญธรรมทุกคนอ้าววันนี้ ที่เราจะได้ต่ออาตมาก็จะ 15 ให้บริบูรณ์เออการ 15 วิชา 8 ก็ดี การศึกษาองค์พระเจ้าเรื่องศาสนาพุทธนี่มี อันนี้พูดความจริงเลยนี้พูดความจริงเลยน่ะยังไม่ใช่มนุษย์ของเรา a baie moc cre cre ka ala pai lu mae tae mai cre mai kro mai maak mai mai man ko mai bodisut la na kha sat bang mai kha bang na ao khong khao mang mai ao khong khao bang mai dai ao yang yab man ko yang mai bodisut yu nan eng maak noi ko laew tae kon thi yang mai ศีลไม่ใช่มีแต่แค่กายบริสุทธิ์วจีผิดอาตมาตัดสิงไปข้อ 1 ข้อข้ออยู่ ศีลอันเป็นกุศลย่อมยังอรหัตตผลอ่าให้บริบูรณ์โดยลําดับนี่คือท่านรวมความ <sharp> <sharp knowledge> คนนึงก็ข้อ 208 ไม่ใช่ว่าแต่เขตกายแค่วาจามันไม่ได้เป็นตามไปตามพระวจนะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มันผิด ผลอันแรกก็คือให้จิตมันเป็นมันพ้นวิปปติสาร มันวิปปติสารต้องทําให้ไม่ให้จิตไม่อวิปให้ไม่ไม่ปฏิสารไม่ให้เดือดร้อนอวิปนะมันจิตที่มันกสันตัณหาน่ะมันคือมีวิปปติสารยิ่งคิดก้องด้วยยิ่งจะเอาเอ่อทําทุจริตเอาเอา คัสาเนี่ยมันไม่ได้จิตดีอะไรหรอกมันมีจิตเย็นอะไรหรอกนะเป็นปรมุตชะเป็นความยินดีเป็นจิตปิติเป็นจิตสงบ มันต้องไปพูดถึงศีลปัตตปามาทเพราะศีลปัตตปามาทเป็นประมาทเป็นด้านเป็นระดับที่เป็นมักเป็นผลศีลปตุปาทานก็เป็นแค่โรคีเป็นแค่ทั่ว ไผพ้นอะไรต้องศิลปัตตปรามาญจริงมัน อ่าเห็นว่ามันกําลังดิ้นกําลังเป็นตัวการที่เราจะเป็นสมุทัยที่จะต้องกําจัดมันแล้วแต่ สิริปุตตปรามานยังมีจาติทิฐิส่วนสิริปุตตปรามานนั้นสมาธิทิฐิบ้างแล้วในสังโยชน์บ้างข้อบางคนอาจจะมีศีล น้อยหรือมากก็แล้วแต่น้อยหรือมากก็แล้วแต่มากก็แล้วแต่นะน้อยหรือเกิดผลไปตามลําดับแล้วเกิดผลไปตามลําดับแล้วนะเป็นจริงๆในขณะนั้นขณะนั้นไปตามลําดับโสดาบันหรือ นั่นแหละผลสังโยชน์ 3 ก็เข้าสู่ผลไปตามลำดับของโสดาปัตติผลนะอย่างนี้เป็น อธิบายมาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะไปหลับตาไม่มีกาย 28 ข้อไปไม่มีรูป นะ. นะ. 28 นะไม่มีกายด้วยนะมันมีองค์ประชุมของรูป 28 ด้วยในขณะปฏิบัติเป็นนั่งหลับตาสมาธินี่เพราะฉะนั้นวิปัสสนาไม่มีหรือว่าเรื่องของไอ้สิ่งที่มันเอ่อเป็นเป็นๆปฏิบัตินั่ง themes put up and deciding by the signs and notation. When the Survey viva languages have to criticize the seat, if you continue to do 74. Then you might be able to follow the steps, then there will be a service. That there will be a solution to the pathAlexa NdTi achieve. Far再见. Thank you very much, and you still have to examine and detail tuhle 23 of其實 adults. We are now shape now. We how often theme เป็นสมาธิอันแข็งแรงตั้งมั่นเป็นสมาหิโตแล้วเป็นสมาหิตตั้งแล้วก็ super concentration ต้องมีคําว่า super หรือ extra extra เมตตาแล้วแต่จะมันเป็นเรื่องพิเศษเป็นสมาธิแบบพิเศษของของพระพุทธเจ้า สมาธิแบบฝึกเข้าฝึกกันอยู่ก็ทําได้ลืมตา Meditation ลืมตาแต่ ก็ได้เป็นอุปการะขอให้สมาธิทิฐิเถอะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวขึ้นต้นก็ว่าเข้าไปแล้วน่ะผ่านอ้าวทีนี้ก็ต่อน่ะศีลที่ค้างอยู่มุจชาวนี้ว่ามหาสีลนะ pitu pontjakkan lorkluang phut kan lorkluang riep khiang yang chen thi samanna pram phu jeroen bang champhuak chan photsana thi ko hai duai sattha laeo yang phut lorkluang yang phut riep Yang m tengo un mentalidad. Los niños, como saint rodzaju. Ya hang un muchii chorrim, cuando estamos habiendo de cambio de movilita, cuando estamos hacen準備iento, esto sólo 이미 se muchas van a strong una de familas, esto también fue muyes, todas las mujeres pon выз Canadá. El bars tienen arrivé mec era มันจริงๆเลยนะฟังดีๆอาตมาไม่ได้ใส่ความใส่ใครอาตมาพูดนี่มีพอมีเข้าความจริงมีเรื่องความจริงมีเนื้อหาที่เป็นจริงมี <muchos> ได้ปฏิบัติไม่ตรงนี่ออกนอกลู่นอกทางๆนะอาตมาก็แม้จะพูดนี่มัน เพราะว่ามันมันโตกว่าตุ๊กตาทองตุ๊กตาทองมันก็ธรรมดาท้องแค่นั้นตุ๊กตาทองมันมีโตกว่ากันท้องโตกว่าเพราะตุ๊กตาทองอ่ะทองมันโตกว่ามันมันใหญ่กว่าตุ๊กตา เป็นเศรษฐีชวนให้คนฟังทําเป็นฉะนั้นเตียบสึกจืดๆแล้วก็หลับหมดพูดเรียบๆไม่กระทุ้งกระเทือนอะไรนะไม่กระตุกกระตักอะไรเลยนะมันปรุงไม่มีรสไม่แซ่บนะไม่เหยาะน้ําพริกน้ําปลาอะไรปรุงไปเอาแต่น้ําเปล่าต้มไม่กินแกงไม่ให้กินนะ ที่อาตมาพูดไปนี่เป็นความหวังดีนะเป็นความปรารถนาดีที่ไอ้สติเตือนพิจารณาถ้าเห็นดีแล้วก็จะเข้าใจนะมันเป็นการหลอกลวงกุหนาเป็นการพูดเลียบเคียงลัปปนาพระบาลีว่างั้นเลยในนี่อันนี้ ธรรมนัสพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวกอันนี้อาตมาก็อธิบายแล้วผู้เจริญบางจําพวกที่ฉันโพชนาที่เข้าให้โดยศรัทธาแล้วยังยังมาทําอย่างเงี้ยยังมาประพฤติกายกรรมวจีกรรมอะไรอยู่อย่างเงี้ย กินข้าวเค้ายังมีน้ำหน้ามาหลอกรวมมตตจริตมาหักหลังมาทำลายศาสนาซ้ําอีกมันโอ้โหนะอันนี้อาตมาพูดเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสาระที่พูดให้มีน้ําหนักมีณัฐจักรกีตะว่า ซึ่งอาตมาก็ประมาณแล้วว่าคนสื่อเป็นองค์ประกอบของการสื่อศิลปะในการพูด จึงเรียกว่าอภิธรรมหรือเป็นศิลปะอันเป็นมงคลอันอุดมเป็นศิลปะชั้นสูงเป็นศิลปะที่มีผลต่อผู้มนุษย์ผู้บริโภค เพราะพอไปถูกว่าที่ตัวเองทําอยู่ก็ผิดมั้ยล่ะเอาแล้วถ้าคุณเห็นว่าไม่ผิดคุณจะโกรธแล้วคุณก็จะทําดื้อด่านทําอยู่ว่าไปโกรธก็ทุกข์เองอ่ะ ด้วยอวิชชาบ่มีอวิชชาก็ทําให้มันเกิดจิตแบบนั้นถ้าแค่ไม่อวิชชาก็ พรหมคุณติดด้วยพรหมัตถ์พรหมธรรมๆมหาสีลนี่เป็นๆสูตรอื่นๆ9 เนี่ย ธรรมนูญนี่ทั้งนั้นเลยจุลสีมัชฌิมสีมหาสีสัตมาก็ ซึ่งอาตมาก็เคยเคยขยายความแล้วพุทธพุทธศาสนิกชนนะพุทธะอ่าพุทธะมัมมะกะอ่าพุทธบริษัตร 3 คำหมายนี้มันต่างกันลึกซึ้งต่างกันผิดผิดผิดแปลกมีนัยยะสําคัญ I consider avez歐 to preach science. They can photograph color or happen to preach science, not relative or think a little publication, and my answer is for it to park diet life despite our ilÁSPO things being gathered vid by learning something that we Fred kiacher that we don't care what necessary... I recognize firsthand my father's looking for a tree. I think anyway, I see a tree I have a tree David and a tree And a tree ผิดๆกับผิดไปตามกันอย่างนั้นเป็นศีลัพพตูปาทานกันพุทธศาสนิกชนพุทธมามกะก็ตั้งใจศึกษามาพุทธพุทธมามกะตัวเข้ามาพยายามตั้งใจดีดีกว่า ที่มันดีอาจจะผิดอยู่มิจฉาทิฐิอยู่ก็ตามดีอยู่บ้างแต่ถ้าศึกษาให้มีคุณธรรมให้ เป็นสาวกสังฆ์ขอเป็น 4 ก็ยัง 8 เรียกว่าจัตตาริบุริสสะนะ 4 หรือ 8 นะ า, 8 นะเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า แม้เป็นคฤหัสถ์เป็นอุบาสก 8 หรือ 4 เป็นโสดาปัตติมรรคขึ้นไปโสดาปัตติผลไปจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตผล ประเทศไทยมีไทยมี 95% พลเมืองที่ 95% ใน 67 เค้า 67 ล้านนะคนไทยนะ ได้เนื้อหาได้สาระของพุทธมามาในตนมามีจรณะมีพฤติในตนอันเป็นศีลบ้างมันจะมีได้ยังไงในเมื่อไม่ไม่จะตั้ง มีผลบางผลบางอ่ากายไม่ละเมิดศีล 5 ว่ากายวาจาอยู่ดีเออยังเป็นพุทธะมังคะที่จิตจะบรรลุก็ ยังไม่ได้เกิดเปลี่ยนแปลงจิตยังไม่เกิดลดละต้นเหตุที่มันต้องต้องต้องจะต้องอยากฆ่าสัตว์อยู่แต่บังคับมันไว้ควบคุมมันไว้เท่านั้นกดข่มมันไว้เท่านั้นยังไม่ได้ They never got theítulo up run in like that, so they barely had bondage v Anyway, they kept it under the line. simple factions because they had riss't been able to remove the cause of sweaters working on the Dalai is a i guess the subtle way out of the trouble like อวินิปาตธรรมเป็นนิยตะเป็นสัมโพธิปรายนะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพุทธเจ้าตรัสไว้สอนคลายกิเลสดับได้เรามีดิกรีมีอินทรีย์ของน้ําคุณวิเศษที่เป็นอริยธรรม นะเริ่มวิชา 8 เนี่ยคุณมีญาณที่เห็นวิปัสสนาญาณเห็นเหตุเห็นการได้กําจัด เห็นเป็นถึงนิพพานก็อาการอย่างนี้เป็นอาการนิพพานอาการลิงคณิมิตอุเทศจิตของ ถ้าปฏิบัติได้ถูกได้ตรงก็มีมากมีผลอันนั้นอย่างภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติระฌานวิชชาเช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวกฉันโพนจนะที่เค้าให้ด้วย ตริชานกถาก็ดีตริชานวิชาก็ได้มีมีหลายภาษาอยู่ก็ค่อยๆอธิบายไปตริชานวิชาคือมันไปรู้อย่างออกนอกรีดนอกทางหรือจะให้ชัดตรงๆก็เป็นวิชาของ Y Mod aqui is nis pouthi. Yadnis weaving on il three people. I know that it is just perception of the world It is a human person, It is a human human. But, no human! The human human fons yet is not human. The human adult is j äh autoenza. Freuna, it is an amazing person, An amazing Чили udins, always haber, Chequac anift Guys if any กระทบหมดถ้าคนไม่ฟังในอรัยใจของคุณหรอกถ้าคนไม่ฟังหรือฟังไม่เข้าใจ จะเข้าหูแล้วเข้าใจเข้าใจเนี่ยก็ ดับเข้าไปเรื่อยๆก็เป็นเข้าถึงๆเข้าถึงนะเข้ารู้เข้าใจและเข้าบรรลุปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าหรือมนสิการเป็นมันจะ นะทําได้ถูกทําเป็นทําใจทําอย่างนี้นะมนสิกโรติหรือว่ามนสิการการทําใจในใจมนสิกโรติก็เป็นคํากริยาเป็นทําทํามุ่งตนเองเลยโอ้ทําอย่างนี้ถูกต้องเราเข้าใจมาแล้วก็ทําก็มีผลสําเร็จมีมากมี <coughs> นี่คือวิชาความรู้ติริจารวิชาที่ยังผิดอยู่ยังไม่เข้าร่องเข้ารอยของพุทธเจ้ายังจัดการด้วยความเป็นติริจารหรือว่าเป็นสัตว์สัตว์อุปปาติกะที่ยังมันยังไม่เป็นจิตสูงยังเป็นติริจารยังไม่เป็นมนุษย์โซนะยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติริจาร <Nicum> ทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำนายพิธีบูชาไฟทำนายหนูกัดผ้าๆนะ ทำพิธีบูชาไฟหรือบูชาด้วยไฟใช้ไฟเป็นสื่ออัคคียันใช้ไฟเป็นสื่อนะการใช้ไฟเป็นสื่อ ไหไฟฟ้าเลยนะโดยใช้ไหเทียนไขใช้น้ํามันอะไรต่ออะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงทําเป็นเทียนจุดบูชาถ้าควันก็ใช้เป็นถูสมัยโบราณก็ใช้ขี้เลื่อยใช้กํายานใช้ข้าวสารก็ deploy ก็สารใส่ก็ไม้ขวัญสมัยนี้มาขวัญเป็นจุดแล้วก็จุดจุดเอาเชื้อเอาคนมาเผา โกวัน... มีธรรมเนียมพวกนี้ก็เพราะว่าศาสนาอื่นๆเค้าทําศาสนาอื่นๆเดรัจฉีต่างๆเค้ามีพิธีการพวกนี้ก็มีการปฏิบัติแบบนี้อยู่ในศาสนาของเค้าทั้งนั้นเยอะศาสนาที่เค้ามีส่วนใหญ่เป็นเทวนิยมเค้ามีอย่างเงี้ยบูชาพวกเนี้ยแม้ เดี๋ยวนี้ก็เป็นศาสนาใหญ่นี้ก็หลายศาสนาไม่เอาละแต่ศาสนาสมัยนั้นมีเยอะบูชาด้วยไฟอย่างฮินดูอย่างอะไรบูชาด้วยไฟใช้ตูบใช้เตี้ยใช้ใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เค้าไม่ ท่านเตยังทําอยู่นี่ยังอยู่ นะที่จริงอาตมาพูดไปนี่เกรงใจเกรงใจมากเลย ออกนอกพุทธนะแสวงบุญออกนอกพุทธแสวงบุญน่ะแสวงจะให้ชําระกิเลสมันไม่มีการชําระกิเลสได้ มันไม่ได้ชํารอกิเลสเลยมันแสวงบุญไม่ นี่ก็ 2558 อธิบายมามากแล้วมามากๆเนี่ยอาตมาอธิบายบ่อยซ้ําเดี๋ยวนี้ยัง 2558 มั้งอธิบายสัจธรรม นั่นแหละถือไฟถืออะไรเบิกแว่นถืออะไรไปทําพิธีเบิกแว่นอะไรทําเวียนเทียนวนเวียนวนกันเนี่ยไม่มีในศาสนาพุทธไม่มีเวียนเทียนพูดไปแล้วเกรงใจจริงๆเดินเวียนเทียนเอาเทียนเอา แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธออกอย่างนี้แล้วมันจะเอาสาระอะไร 100% เกิน 100% แล้วเพราะนับถือยิ่งกว่าศาสนาที่ ทำพิธีสัตเข้าศาลบูชาไฟนี่เห็นมั้ยเนี่ยทําพิธีเติมเนยบูชาไฟนี่เป็นเปลว เทพเปล่าเลขาจดนําเป็นเป็นตัวเลขด้วยพิธีเสกเป่าอะไรพวกมันมันไม่มีศีลกันแล้ว อาตมายังไม่คิดว่าอาตมาพูดไปนี้โอ้ยหวัง ยู้ฮูยู้ฮูนี่คือศิลปะในการแสดงธรรมนัดจากคีตะวาทิตะเข้าใจดีใช่มั้ยพอแสดงยิ่งยิ่งเข้าใจ ที่ตะสุมเสียงวาทิตะมีภาษาคําพูดประกอบออกมาเอ่อประกอบเป็นสังขารอภิสังขารประกอบศิลปะมีกายวิญญาณวจีวิญญาณ แหมดราม่าคือขนาดนั้นไม่ใช่นี่เป็นธรรมชาติเนี่ยอาตมาแสดงท่าทางบ้างหน้าตาทําสีทําหน้าสีหน้าสีตาทําอะไรไตรมีมีเสียงมีคีตะมีวาทิตะมีภาษาคําพูด ไทยมันจับกลุ่มรวมเป็นองค์ประกอบที่เป็น ให้มันดูได้สัดส่วนพอเหมาะกับทั้งกาลลายกาลและยุคอัตถะธรรมะเอ่อดูเขาดูเราดูปริสันติตาดูปริสัตรดูหมู่กลุ่มดูบุคคลแล้วเราก็เท่านี้เราแสดงอย่างนี้อาตมาแสดงที่นี่จัดจ้าน แต่หมุดจุดมุ่งหมายใหญ่ก็คือพวกคุณๆก็ประกอบศีลออกไปขนาดนี้เกิดอภิธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจิตที่รับได้ซาบซึ่งเปลี่ยนแปลงนะกระทบ กระเทือนใจจนเข้าใจไม่ใช่กระเทือนแล้วประการนะ เหมาะสมมีดริกมีอำนาจในการแสดงศิลป์ให้มีทั้งสารศิลป์มีทั้งสุนทรียศิลป์ มีรูปรูปปิ่นเสียงบ้างพอสมควรแต่ไม่ใหญ่กรามาประกอบเป็นเป็นนาฏกรรมเป็นเรื่องท่าทางเหมือน อันนั้นมาบอกขออภัยนะเอามาภาพที่เค้าทุดงประกอบการแม้แต่ไปทําอะไรต่างๆนานาเค้า ตกแต่งทั้งนั้นจัดภาพทั้งนั้นวิภูสนัถนาเข้าใจสาระธรรมให้ดีๆเข้าใจศิลปะให้ดีๆศิลปะเป็นมงคลอันอุดม แล้วนิยามอุตจาดเรื่องรามรกเรื่องอุตจาดนี่แหละเป็นเดลัชานวิชานะเป็นเดลัชานแล สุพตนิคเหมือนกล้าสมัยแล้วนะสุพตนิคจะดาวเทียมออกไปนอกโลกตึกๆแหลกๆนะขออภัยก็ประกอบทั้งนั้น <c oughs> ด้วยอะไรๆต่างๆนานาที่อยู่ในมัชฌิมศีลที่ท่านตรัสไว้อยู่ในมหาสีลนี่ก็มีกุหนาลัปนาเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องเล่เหลี่ยมเป็นเรื่องทําให้คนหลงไหลหลบหลงเลอะเถอะออกนอกนอกทางนะมันมันเป็นเรื่องอย่างนั้นนะอ้าวเอาละต่ออ่า นะมีเทียนไขทําเป็นแท่งเป็นก้อนแต่ก็ยังมีก็ยังมีทําพิธีเสกเป่าบูชาไฟก็เสกกันใหญ่เป่ากันใหญ่ทําพิธีภลีกรรมด้วยโลหิตนะ เดี๋ยวนี้เป็นพรรคเกจิอาจารย์นะหมอเดี๋ยวนี้ส่งเสริมกันเต็มหมดสื่อสารโฆษณา It was necessary to teach tales to we contemplate the teaching and learning territory. To the aidils people, I findounds you to time for reason that I can see. My thousands of individuals and supervisors loved me, the peacefully informed my ultimate life by pain. My medical robe marami me, of the elfini, of he was fine. The he Mick, who died the dead man, was the godespace, a Jedialtetany sway Morris. Everybody พอแก่แล้วไม่มีกําลังไปไหนแล้วก็เลยไม่ค่อยจะดิ้นขอไปอัตตามาพูดชัดแล้วก็หาว่าปากจัดไป พูดไปแล้วมันก็ไปกระทบมันก็ไปเห็นจริงนะไม่ใช่อุปวาธอาตมาไม่ได้ไปพูดกระทบกระเทือนใครไม่ได้ไปพูดร้ายใคร มันนรกกินหัวแล้วไปบอกว่าเป็นเรื่องสุดยอดบูชาเอ้าเอาหัวเดินต่างตีนนั่นน่ะเข้าใจไปกันใหญ่ มีหลายเจิมเลยเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านอะไร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการ 1 ของเธอนี่คือภิกษุทั้ง <laughs> ถูกทั้งนั้นน่ะเอ๊ะสอบได้กันหมดนมัก <laughs> <laughs> <laughs> อาตมาก็พยายามส่งเสริมอยู่นี่ส่งเสริมให้ผู้ตามเขาอ่ะปฏิรูปเป็นรูปอยากให้ทําเด็ดขาดแรงๆหน่อยเรียกว่าปฏิวัตินะอยากให้ทําเด็ดขาดแรงๆหน่อยมันปฏิวัติที่ทําอยู่นี่ จะทําเรื่องจริงๆใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไม่เป็นไรหรอกอาตมามั่นอะไรนะท่านอะไรอ่ะ เอาล่ะพอเดี๋ยวมันจะแว๊กออกมากข้อ 1 ของข้อ 2 ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดย นะเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์พูดเจริญบางจําพวกฉันโพนชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย ทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะศาสตร์ตราอ่าทายลักษณะดาบทายลักษณะศรทายลักษณะธนู ทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือเพราะฉะนั้นจะ โคอสุภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะๆทายลักษณะตนทายลักษณะเต่าทายลักษณะ เอาสารพัดสัตว์มาทํานายงดจะไปทํานายมาทําเครื่องคลางเครื่องรางของขลังเด่นทํานายทําเบอร์โทรศัพท์ ภิกษุเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางคือดูฤกญาตราทัพว่าพระราชาจักยกออกพระ คือทำนายว่าจะมีอย่างงั้นเหตุการณ์อะไรเนี่ยพระราชาภายนอกจักยกเข้าไปชิดพระราชาแต่สมัยก่อนกับบุพระราชาพาไปรบพระราชา ประชาภายในจักปราชัยประชาองค์นี้จักมีชัยประชาองค์นั้นจักปราชัยคือทํานายกองทัพสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยนี่ทํานายกองทัพแม้แต่อนัตจะยกมานะจะทัพมานะอันนี้จะถอยนะครับคือต้องมีหมอดูประจํากองทัพมันเถอะโดยเฉพาะหมอดูที่เป็นพระนี่แม้นี่เป็นศีลของเธอประการหนึ่งในภูมิภพพื้น ปฏิวิรติเวรมณีควรงดเว้นอย่า 4 ภิกษุเว้นเช่นอย่างที่สมณพพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เค้าให้ จักมีนักกษัตริย์ประคาทดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทางดาวดูดวงตัวเองไม่ดูทางตัวเองตัวเองเดินถูกทางพุทธหรือเปล่า จักมีอุกาบาตจักมีดาวหางจักมีแพนดินไหวจักมีฟ้าร้องอ่านี่ไปแย่งงานอุตุนิยมของหมดน่ะไปแย่งงานอุตุนิยมของฆราวาสทั้งหมดจักมีดาวหางจักมีแพนดินไหวจักมีฟ้าร้องดวงดวงจันทร์ดวง ดวงจั� the lm v and d d That after that percent Tim,ucklehead, that this death can end. toda you need value in this food, and p paspen ide. え. mighty Natless the inheritt of this enemy, that this pathIt will only have value in this food, after that quality of innocence that went towards that end, since the view of the cav절ок family and that there will also be value in this webinar. zetel n position as well where it is gone towards that end, after มีดาวหางจะมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นนะนะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และ แม้คราวๆพวกนี้เนี่ยเลิกในพุทธศาสนาไม่ต้องไปพึ่ง จักมีฝนแกล้งจักมีพืชสาหะได้ง่ายจักมีพืชสาหานจะ กราบกอนกวีนี่ที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าไปแต่งกราบแต่งกอนแต่งประบกวีแต่งอะไรไม่ได้อยู่ในพระเตปิฎกนี่ท่านก็บอกว่านี่ก็การทั้งนั้นกระหมวดไว้เออเป็นเป็นกวีเอ่อบทพระพุทธเจ้าจัดยังจะมีบทกวีไว้เท่านั้น ยังโลกียังไปมองเมาอะไรพวกนี้แม้ข้อนี้ก็ 6 ภิกษุเว้นขาดจากคือให้เลิก ให้เลือกวิวาหะมงคลนะมาคําว่าให้เลือกให้เลือกไอ้เลือกเรื่องนั้นเรื่อง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 เพราะฉะนั้นในการที่โอวิ่งรถไปแล้วมันจะตกเขววิ่งไปเนี่ยรถมันจะตกเขวหรือรบ ถ้าตกเหวแล้วมันได้โชคเว้ยถ้าไม่ตกนี่เออโชคเออมันเคราะแท้ๆเห็นๆอันอื่นอันใดแล้วแต่ถ้าเหตุ ถ้าสิ่งจะเกิดข้างหน้านี้มันดีเรียกเออมันไม่ๆนะมันไม่ได้พ้นนะ อีสานไปเก็บเห็ดหมานบอมื้อนี้บ่หมาน มันจะเป็นไปข้างหน้าบางๆน่ะก็แล้วแต่ที่จะเปิดในข้างเคราะถ้ามันดีอ่ะดูโชค รายมนให้มือสันมนต์ให้มือสั่นเอาต้นหนังสือมาอินเสิร์ตมาแหมเอาหน้าอาตมาอยู่นั่นแหละ รายมนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญนี่แม้ข้อนี้ก็ เช่นอย่างที่สมณปรามผู้เจริญบางอย่างพวกฉันโพชนา อ่าถ้าเป็นโลกก็ถือว่าเป็นรัฐเป็นรัฐธรรมนูญคุณ สอนมนป้องกันบ้านเรือนทํากระเทยให้กลับเป็น แต่ไปทํากันก็ว่าได้ดี ประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเอ๋ยอ่าอย่าไปงมงายนอก เพราะฉันจะไม่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครมาบูชาไฟบูชาธูปเทียนดอก สู่ก็บอกเสียงใหญ่เค้าไม่ได้คน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบนปรุงยาถ่ายโทษปรุงยาแก้ปวดปรุงยาปรุงยานัดปรุงยาทาปรุงยาทาสมานยาตาทําการผ่าตัดหน่ํายาชะแผล ไม่ได้ทําไม่ได้นะศาสตร์ของศาสนาพระๆเป็นธรรมนูญของศาสนาพุทธที่อาตมาเอาจุลศีล อย่าแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธเลยมาปฏิบัติตาม ทำต้นๆหรือแม้แต่มัชฌิมสินมหาสินก็เป็นเรื่องของสมณะก็ไม่น่าจะทําขึ้นวัดว่าเราทําเนี่ย เราไม่ได้พาทําออกทางก็เพราะพระไม่ศึกษาศีลก็เลยพาออกๆเกรงใจอีกเกรงใจ พูดกระทบกระทั่งคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่มันเลี่ยงไม่ออกถ้าคนนอกศาสนาพุทธก็อีก แต่นี่อาตมาทํานี่มันศาสนาเดียวกันอาตมาพูดนี่ก็คือพุทธ มันศาสนาเดียวกันเค้าก็พูดเราก็พูดแต่พูดคุณผิดเอ้อให้คนอื่นมาว่าเหรอใครเค้าจะปรารถนาดีขนาดนั้น ว่าเนี่ยว่ายังชอบใจไม่ได้ว่าอย่างไม่ชอบใจถ้าศาสนาอื่นจะว่าเราเนี่ยอาตมาขออภัยศาสนาอื่นเค้าก็คงว่าเรายังไม่ชอบใจใช่มั้ยคุณไม่ มันต่างกันมั้ยมันกุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตจิตปรารถนาให้เลิกชั่วเลิกผิดมาทําถูกมาทําดีเถอะคุณนั่นไม่คุณปฏิบัติอยู่อย่าง เค้าก็รู้ว่าคุณก็ทําอย่างนี้ยึดถืออย่างนี้ของคุณนั่นแหละ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 พูดด้วยกันพุทธสังฆาตเดียวกันอาตมาไม่ได้ออกคนสังฆาตอาตมายังเป็นสังฆาตเดียวกันของพุทธ มันจะไปเอาเรื่องเราคุณไม่ทําก็แต่คุณที่มาฟ้องศาลอาตมาอาตมาไม่ได้ละเมิดปฏิโกศนาที่พุทธเจ้าสอน Mile God Mandy health for the ass shorts, especially the Шokess coffee in Duwami Prsei Take separatie Guys, girls at the same time, We can never get into the journey twice as a piece of vadanus or something. However, we can never see the journey to your journey. I was the fact that nothing, i was born into the siege of lit Honjika khosana. as she was built meaning the lxana cinc finale a dwast as anir Music ไม่ถึงขั้นอกโกสะไม่ถึงขั้นอุโกตนาแค่ขั้นปฏิโกศนาถ้าจริงก็แค่ทิฏฐาวิกรรมเป็นการแสดงความเห็นความแย้งคัดแย้งความเห็นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้หักหารคัดค้านอะไรก็จะแสดงนัจจกีตาวาทิตะเป็นศิลปะอาจจะแสดงท่า ไม่ได้แสดงลามกไม่แสดงอุจาดอะไรหรอกไม่ได้อนาจารอะไร ตัวต้องมีหลักฐานอ้างอิงบ้างตาม อัตตามาอัตตาสมญุเนธรรมะอยู่ในร่องในรอยของพระพุทธเจ้าอยู่นะเอาต่อนะวิจัยวิจารณ์ไปมากพอข้อ 121 ท่านก็ต่อว่าเมื่อฉันกล่าวธรรมนูญจบนะจุลสีมัชฌิมสีมหาสีณแล้ว ดูกรภิกษุมหาภบพิตรภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างเลยเพราะปฏิบัติให้ตรงศีลเถอะจะไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ แต่ทำไมหนอละมีศัตรูน่ะกําจัดศัตรูได้ราชศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเพราะราชศัตรูนั้นนะไม่ ได้รับนะมุรธาภิเศษขึ้นมาเป็นพระสัตว์สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยทศพิธราชธรรมๆแล้วเนี่ยไม่มีใครทําอะไรได้นะดูกรรมมหาบ่อมหาบ่อผิดภิกษุก็ชั้น อย่าไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนมั่นใจมั้ยพวกเรามั่นใจมั้ยสมุดได้ศีลพวกเป็นภิกษุอยู่แล้วก็พา เป็นวัดวาที่ไม่มีธรรมชาตวิชชา ที่เอาของพระพุทธเจ้ามาพูดนะอาตมาต้องไปสู่สิ่งที่จะพาเจริญพาประเสริฐเพราะถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติสมบูรณ์ พิษสมบูรณ์ด้วยอริยะศีลขันธ์นี้เพราะยิ่งๆเลยอริยธรรมศีลมันจิตเป็นอติจิตจิต ปัญญาก็เป็นอธิปัญญาเกิดอธิมุตติจิตโน้มๆตามฐานะกองศีลหมู่ศีล อันประเสริฐจักโทษในภายในเพราะยังส่วนตัวของใครเอกโกโดยส่วนตนทําแล้วก็จะเป็นศีลนี่ศีล วันนี้คงจะอ่านไม่หมดคงจะครอบรวบๆๆ3 นี้นะก็ขอต่อละข้อ 122 อินทรียสังวรนะนี่คือจรณะนะมีการสังวรศีลสํารวมอินทรีย์นะอินทรีย์สังวรเนี่ยสํารวมอินทรีย์โภชนะ เนี่ยก็ปฏิบัติพอมีต่อต่อไปที่พูดนําหน้าไปก่อนก็จะเกิด 15 นะศีลสํารวมอินทรีย์พอเจริญ สังสมลงเป็นฌานเป็นตามลําดับจากคุณสมบัติของศรัทธานี่แหละนะศรัทธา 7 ก็จะเกิดสังสมเป็นเทวดาศรัทธา 7 มีศรัทธามีศีลเทวทัมก็จะมีศีลด้วยนะแต่อันนี้มีศรัทธาแล้วก็มีมี แล้วก็มีหิริมีโอตตปะนิพพุสูตมีจาคะมีปัญญานะอ่านั่นแหละมีอริยทรัพย์ไงเป็นอริยทรัพย์เป็นเทวธรรมเป็นเทวธรรมเทวะเป็นจิต เทวธรรมด้วยเป็นกัลยาณธรรมนะศรัทธาศีลจาคะปัญญา 4 นะกัลยาณธรรมกัลยาณมิตรจะต้องได้ศรัทธาศีลจาคะปัญญา นั่นคืออริยทรัพย์ใกล้กันคล้ายกันอนิสัทธรรมนี้เป็นศีลอยู่ในตัวและปฏิบัติศีลแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดที่รีโอตปะพหุสูตวิริยะสติปัญญา 5 พละ 5 นะคือมี คำว่าสมาธิไม่มีใน 7 ไม่มีคําว่าสมาธิอ่ายกสมาธินั่นไปไว้ที่ไม 4 นั่นแหละก็สั่งสมลงเป็นสมาธิต่อไปนะก็จะเกิดศรัทธาหิริโอตตัปปะโหสุวิริยะมีวิริยะ 이니 อุตตปปะหุสูตรสังสมลง 15 นะเพราะเริ่มต้นอินทรีย์ 4 สังวรภิกษุ ที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเห็นจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้นชื่อ เป็นสุจริตใจขึ้นมานะถือว่ารักษาตั้งแต่ตา นะสํรอมอินทรีย์ 123 นะเอ่อเป็นอริยะ 4 สังวรอันเป็นอริยะเช่น จิตมันลดกิเลสนี่คือปฏิบัติศีลลดกิเลสตามธานานุธานะศีลเป็นบาทฐานศีลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติประพฤติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติประพฤติศีลไม่เกี่ยวข้องศีล มันเกิดจิตเกิดปัญญาเกิดวิมุตติเกิดผลอย่างนั้นจริงๆเลยผลของศีลเป็นอรหัตผลโดยลําดับตามที่ได้เอากิตติมัติยสูตรมายืนยันแล้วนะก็จะเกิดการลดกิเลสได้จิตก็ไม่ระคนด้วยกิเลส เพราะปฏิบัติศีลไม่เป็นสมาจิตติกันทุกวันนี้จึงไม่มี ฆาตก็กันสมาธิก็ไปนั่งหลับตาเอาปัญญาก็ไปนั่งเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยไปนั่งเอาที่ไหนก็ไม่รู้ไปๆไปฟังอภิธรรมแล้วก็ <skart> okay ข้อ 223 ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติประกอบภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทําความรู้สึกตัวใน แต่ก็เลยมาอยู่ในเนี้ยพอขอบคุณก็หนุ่มนิ่งนั่นแหละ ดูกะระมหาภบิตรด้วยประการอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัปปชัญญะนะเพราะงั้นสติสัปปชัญญะนี้ท่าน ด้วยบินตะบาตเป็นเครื่องบริหารท้องคือมีอุปโภคบริโภคสรุปง่ายๆนะบริหารกายก็อุปโภคบริหารท้องก็บริโภคนะเป็นเครื่องอาศัยในชีวิตนะเธอจะไปทิศทางภาคใดไปที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้เองดู จะๆก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินๆก็ถือไปได้ ก็จะสันโดษเป็นอริยะเหมือนกันนะได้ค่อยสรุปอ่ะสรุปข้อนี้ละ 125 นะอ่าในพระบาลีมีแต่ในแปลวันนี้ท่านตัดแปลอยู่ในนี้ใน แต่อันนี้ binpivit ciel may be said as the said, ถ้า 50ㅎ ไม่ voulaisพูดเต็ม. ใช้นfallsถูก 이 expands. ผิกษุนั้น shows the impag Verb aringian. ovic religion should have impag 어느igue some piers have impag collage 文 è likemaya, lilyos in x ing, universe andcri Bournemie ainsi, e-bios es la p assimilate주 an x till corpo som演 with death. น молод Andrew, money maybe privilege some 준비 Veaka going to punto over. Nexi is Cor pun was like Julia สติสปัจชัญญะก็เป็นอริยะสัปปชัญญะก็เป็นอริยะสันโดษก็เป็นอริยะเช่นนี้ มีใจปรัสจากความเพ่งเล็งอยู่ไม่คิดพยาบาทมีความกรุณานะหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปทุสสะร้ายคือพยาบาทได้ละทินนามิทะแล้วเป็นผู้ปรัสจากทินนามิทะมีความกำหนดหมาย ย่อมชําระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนะมิทธะณภายในอยู่ย่อมชําระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจกุกกุจจะได้ เนี่ยเนื้อความบทนี้ถ้าไปเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้ายืนยันก่อนพวกที่เอา 126 ก่อนดู เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานการงานของเขาก็จะพึง เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้วและ อานภิกขุฐิสุนั้นประกอบด้วยศีลขันอันอินทรีย์ทั้ง นะต้องตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก่อนลองปฏิบัติมาครับว่ากินข้าวอิ่มใหม่ๆแล้วก็เป็นนั่งนะเธอกลับจะบิณฑบาตแล้วก็นั่งคู่บังรังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าควรจะ มันน่าจะบิณฑบาตมาก่อนแล้วก็มาภายหลังภัตนะในการภายหลังภัตเธอกลับจากบิณฑบาตแล้วนี่มันคนมัน <muchos> โลกปะปิจฉาชําระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเรงละปทุสสะร้ายคือโทสะคือพยาบาทโทสะไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาวางประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ชําระจิต ก็นิพพานน่ะคือกามความเพลิงเหลงนี่คือ นั่งเข้าไปในภายในตรวจนั่นก็ อุบาลีสูตรมายืนยันแล้วว่าไอ้ แต่ผู้มีสมาธิกรจึงไปป่าช้าป่าชัดจะได้ทํา ติดความสงบอยู่ป่าเลยผิดหรือแม้ไปป่าแล้วคุณก็ฟุ้งซ่านมหากามหาพยาบาทมหาโลกธรรมเพราะคุณห่างไปต่างๆนั้นน่ะมันไม่ได้แวดล้อมหา นะแต่ถ้าคุณไปแล้วลงป่าเลยลงความสงบ ถัดว่าอยู่ป่าก็ดีเป็นต้นหรือว่าเนี่ยนะจะเสพเสนาสนะจักไปเสพ เห็นไหมมั้ยอันนี้อุบารีสูตรนะเดี๋ยวเข้าเอาอุบารีสูตรมาให้ดูเนี่ยจะไปอยู่ป่าอยู่ราวป่าอัน นะอยู่ปาหาความวิเวกได้ยากวันนั้นแหละจะไปหาความสงบก็ไปได้ป่าไม่ได้วิเวกเข้าใจวิเวกไม่ได้ง่ายๆกายวิเวกจิตวิเวกอุปติวิเวกคือยังไงก็เข้าใจผิดกันไปเข้าใจข้างนอกไม่ใช่เข้าใจ อัตมาอธิบายมาแล้วกายสังขารจิตต่างๆนานานะมันก็เลยต่างๆนานาอยู่แต่ผู้เดียวไปเดี๋ยวก็ได้เป็นพระหลักหันง่ายจริงๆเห็นมั้ยป่า นะจําจําต้องวางได้ข้อนี้คือจักจมสูง นะ, นะ, 7 ศอก 7 ศอก มันก็ตายหรือเสือปลานั้นจําต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงสติสัมปชัญญะปริยะสันโดษเป็นอริยะ จิตมีสันโดษใจพอมีอยู่ลาภสัมผัสลาภอยู่ห้อมล้อมลาภอยู่แต่ต้องได้กายวาจาใจครบมีองค์ประชุมประกอบอยู่พร้อมแต่นี่คือจิตสงบ นั่นแค่นี้ก็พอเราไม่เอามากกว่า เกิดก็ทั้งกลายเป็นสันโดษคือผู้ไปอยู่โดดเดียวนะต้องปฏิบัติธรรมโดดเพราะฉะนั้นผู้ยังไม่มีจิตเป็นสมาธิยังไม่มีอริยคุณยังไม่เป็นศีลเป็นอริยะสัมบุ สติสัปปชัญญะก็สูงเป็นอริยะสันโดษก็ออกปลีกไปตัวไปคนเดียวไปเข้าป่าเข้าธรรมไม่เช่น ท่านเตื้อเหมาะสมไปนะเข้าป่าเข้าทําไปชกไปไปเช็ค อริเยนะสติสัมปชัญญะเนะสัมมากัตโตอิมมาอิมายะจะอริยายะสันตุฏฐีนี่คือสันโดษสันตุฏฐีสันโดษนะ แต่ก็เถอะว่าสันโดษจิตมันละๆแล้วก็อยู่กับลากยศสําเผลของโลกีย์นี่มีอุตตระมีอุตตรจิตมีจิตอยู่เหนือมันไม่ขัดแย้งกับ แต่ยังไม่มีสมาธิคุณจมแล้วก็จมไปจนกระทั่งเพี้ยนไปจนตั้งเดี๋ยวนี้เข้าใจผิดเลยว่าจะต้องเป็นนั่งเป็น ก็ส่วนใหญ่เค้าตาทวดๆปีแล้วก็มันมาหลายปีแล้วอ่ะเมื่อไหร่ๆนะไม่รู้ว่าผิดมาตั้งแต่เมื่อมันเอ่อตบากใจจริงๆนะมันยาก <laughs> บนไปบ้างไปบ้างนะตามภาษาอาตมามีอิทธิภาวะเล็กน้อยแสดงท่าทางสดิดสนิ่งนิดน้อยเป็น เอาละอาตมาขอสรุปข้อเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบอีกดีต่างๆนั้นน่ะสรุปแล้วท่านบอกว่านี่แหละมันเหมือนกับผู้ที่ได้หมดหนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเปรียบเทียบข้อนั้นข้อนี้เปรียบเหมือนผู้ พึงเดินทางไกลหาอาหารได้ยากมีภัยจะพ้อหน้าสมัยต่อมาเค้ามี ได้ความปราโมทย์ถึงความสมณัสมีภูมิมสถานอันเกษมเป็นเหตุ นะพอตาบาซาโคแรกนะเดินในทางกันดาลมีพวกทรัพย์ไปเท่า ถูกต้องแสดงว่าถูกต้องไม่ฆ่าลูกค้าอะไรหรอกท่านไม่พูดถึงอันนั้นไม่เปรียบเหมือนอย่างนั้นนะหาได้ยากก็มีเฉพาะหน้าผมพอ ก็ข้ามพ้นทางกันดาลบรรลุหมู่บ้าน 5 ประการเหล่านี้เหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ เมินความไม่มีหนี้เมินความไม่มีโรคเมินความพ้นจากเรือนจําเมินความเป็นไทยแก่ตนเหมือน กายย่อมสงบเพราะใจสงบกายจึงสงบไม่ใช่ไปให้กายสงบคือกายแข็งไม่ใช่กายคือองค์ แม่จะออกจากนิโรธคือปฏิบัติกรรมออกไปหลังจากนิโรธแล้วอุทธฐานะหรือสมติกรรมหล่วงพลอัน เป็นสุดท้ายองค์ประชุมทั้งหมดเลยพร้อมทั้งตักกวิตตกะสังคปะอัปปนาพยัปนา มีญาณสังข์ขารุปเอกามีญาณที่แข็ง yang praman mo khuan wa ao thao ni sadaeng kayakam thao ni sadaeng wacikam thao ni jing koet kayavinnyat wacivinnyat จึงเป็นตัวหลังจากจิตสังขารเมื่อผู้นี้มีนิโรธ บทบาทงานการหน้าที่ของมันถูกต้องหมดมันไม่สับสนเห็นมั้ยเอ่องานการที่อาตมากว่า 1 เพราะยังไม่เก่งมากก็ละเอียดพอไม่ได้พอยังไม่เก่งแล้วคราวหน้าจะ วิจารณ์เห็นนี้วน 5 เหล่านี้ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทย์ปราโมทย์แล้วย่อมปิติเมื่อปิติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขอีสุขเป็นสุขสงบนะอุปสมวะสุขนะสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีสุขด้วยสงบนี่มันก็สังสมลงเห็นเป็นอุปกิเลสปิติก็ดีสุขก็ดีก็รู้สภาวะนั้น อย่าให้มันจัดจ้านอย่าให้มัน เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกๆนานานี้เป็นจรณะ 15 ทั้งสิ้น torch สอท่านอธิบายอย่าง 12 สูตรมีปรมจารสูตรไม่ได้ขยายความตรงเพ 62 เพราะจากสูตรอื่นมาเลย 13, 13 สูตรอาตมาก็ วิชชาสูตรสุดท้ายนะนะอะไรนะมีพรประชาสูตรสูตรเดียวแต่นั้นน่ะไม่ได้พูดถึง เป็นสมาธิภูตไม่ใช่สมาธินั่งครูบลังกตั้งกายตรงอยู่ในภวังค์แต่มันมีเหตุการณ์ กายก็ตาสติก็มีทั้งนอกในมีทั้งดินน้ําไฟลมไม่เช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องมาย้ำว่าต้อง น่าเบื่อมั้ยอาตมาพูดนี่ซ้ําๆวนเวียนพูดแล้ว <c oughs> <c oughs> อาตมาก็ลำดับต่อไม่ได้หรอกมันเวลามัน ละสุกทุกละทุกสระสุกและทุกเส้นเธอนั่งนี่ ค.ศ. 130 นะเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ที่ จักไม่ถูกซึ่งขาดกายไม่ได้ขาดรูป 28 ขาดดินที่จะต้องมีตาเข้าไปกระทบรูปไฟ ขาดการต่อเนื่องกันพวกนี้สัมผัสสัมพันธ์กันไม่ได้กายนี่ทั้งหมดรวมทั้งหมดนะเพราะงั้นจะเป็นฌานเป็นอะไรแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบพวกนี้หมดเป็นฌานณตอนนี้ยังไม่ได้พูดสมาธินะได้ฌานนะ ไปทั่วหมดจะไม่ถูกต้องตรงไหนบริสุทธิ์ของแพหมดไม่จําไม่ถูกต้องไม่มีกายของเธอ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายทุกๆส่วนย่อ ผลใจนี้จะทํางานร่วมกับทั้งดินน้ําไฟลมร่วมทั้งประสาทรูปร่วมทั้งโคจรรูปทั้งหมดเลยนี่ภายนอกดู หรือเป็นสามัญตามภาษาไทยที่เรามีเข้าใจความหมายมันเหล่าๆมัน นะมันย้อนแยงมันเป็นสภาพหมุนรอบชนอยู่สูงอยู่นะก็ถึงบอกว่าวันนี้ขอผ่านไปก่อนนะทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่ประจักษ์มาถึงขั้นมีมีฌานนิฌาน 4 แล้วเนี่ยมันมันยิ่งกว่า ดียิ่งกว่าทั้งบริกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆเพราะฉะนั้นเป็นลําดับมาที่ได้มาๆ เป็นวงวนที่สูงขึ้นเป็นสภาพมุนรอบเชิงสอนเหมือนก้นหอยรอบสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ก็วนไปวนมาสลับไปสลับมา อบุญยะคือไม่ต้องกําจัดอีกแล้วเป็นเอามากําจัดบาปใหม่วนสูงขึ้นวนไม่อีกหมดไปตามลําดับวนไปตามลําดับสูง จะเห็นได้แม้แต่แปลพยัญชนะก็ชัดอยู่แล้วว่าแปลไม่ตรงที่จริงบาปอปุญญาอภิสังขารแบบอปุญญาก็ไปแปลอภิสังขารอันนี้ว่าแปลเองในพยัญชนะท่าน อาตมาก็เข้าใจแล้วมันมีสภาวะก็บาป แปลด้วยญาณที่ดูสภาวะธรรมเป็นหลักของอาตมาที่มีอาตมาไม่ได้ออก ต้องขออภัยมันเป็นการอวดอุตรินิยมทําจริงๆนะโดยไม่ได้อวดด้วยจิตลามกมี ซึ่งก็จะเริ่มต้นปิปวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะ ซักปัดเวลาวันนี้มันเวลาไม่มี ก็ถือว่าบ้าด้วยไม่เจตนาแล้วกันถ้าเผื่อว่ามันไปไปไปทองไอ้ข้อสอบที่ออกแล้วนะเพราะพรุ่งนี้คุณก็สอบแล้วข้อสอบข้อสอบก็ออกๆ อางุจโมลินกายที่ที่เราเองเราจะประพฤติออกไปเป็นกายวิญญาณวจีวิญญาณเกิดมาจากมโนปุพพังใจเราเป็นประธานเพราะฉะนั้นจะมโนเสธาจะทําให้ออกไปเจริญเสธะเสโทแปลว่าเจริญ เศษ... ผ่านญาณปัญญาออกไปทํางานกับสังคมข้างนอกกับผู้อื่นโดยความจริงที่เรามีจิตเป็นประธานจิตเรามีอริยธรรมจริงยิ่งสูงยิ่งมีกําลังยิ่งมี อุตระอยู่เหนือสังคมไม่ใช่ไปอยู่เหนือโดยการกดขี่เป็นขทัพไม่ใช่เหนือเพราะว่าไม่มี ก็ทําสิ่งที่มันเหมาะสมเป็นกรรมนิยะหรือกรรมัญญตาเป็นสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่เหมาะควรด้วยๆกรรมกิริยากายกรรมจิตกรรม ใจเป็นสมาธิใจเป็นอริยะใจมีคุณสมบัติเป็นอริยธรรมสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์เพราะฉะนั้นโสดา ยิ่งเป็นประโยชน์โลกมากโลกไปยิ่งไม่เกี่ยวกับโลกเลยไม่อยู่ป่าช้าป่าชัดอยู่ป่าเขาอยู่นั่งรับตาไม่ลืมตาขออภัยขอยก จะหลับไม่หลับของท่านไม่รู้นะแต่ท่านก็หลับตา 5 ชั่วโมงท่านก็ปล่อยให้เขานั่งไปจนเขาลุกไปนะเขาหมดศรัทธาไม่หมดศรัทธาแล้วเขาหมดความทนทนได้เขาก็ลุกกลับบ้านนึกติดภาระอะไรๆท่านๆนี่ อยู่ป่าชาจังหวัดลําปางขออภัยที่ยกตัวอย่างนี้ไม่ได้ลบหลู่คนๆท่านไม่รบ ที่ควรพอสมควรต้องให้ของตามควรเคารพกราบไว้พอ ทกอปจุดเลยถ้าไม่รบกวนใครจริงๆนี่มันสุดโตงไปทางอัตตกิเลมัถะนี่ซึ่ง จะจมปังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่านก็จะ เอรมแข็งจืนปวดทรุดเลยศิลปินเข้าเห็นเนี่ยคุณมาดูธรรมะไม่โอ้โหเห็นหน้าเห็นตาๆเลย แต่ไม่ถึงขั้นดราม่านํานําธรรมติกอย่างที่เขาสร้างท่ากันโนก็เป็นธรรมชาติว่าตอนนี้เจตนาจะแสดงบ้างเป็นศิลปินจริงๆแต่ไม่ได้แสดงโอเวอร์อะไรไปนะเพราะนั้นเค้าศิลปินโอเวอร์เค้าเกินขีดอ่ะลง ศีลปะชะคากันก็ก็ยังโขนใช่มั้ยถ้าแแทงอืมแทงคนๆเปื่อยๆนะขนาดถ้า จะแสดงกามมันแสดงจริงเลยถือว่านี่ถึงซึ่งไม่มีปัญญารู้จักศิลปะกาลามกอนาจารเห็นมั้ยทุกวันนี้เลอะหมดแล้วเกิน คุ้มมจกายแสดงวิญญาณออกมาให้แก่โลกเพื่อเป็นประโยชน์ก็เป็นการ คือการกระทําของใครก็ตามก็ขอหาหรือองค์ประกอบมันมีขยะเยอะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องแข็งแรงจะต้องกล้าหาญจะต้องเด็ดเดี่ยวที่จะต้องสร้างสิ่งที่ประกอบกรรมกระทําโดยเฉพาะ ปฏิวัตินี่แรง revolution เนี่ยเปลี่ยนกลับทันทีเปลี่ยน ไป. ไป reform ไปอ่ะมันไม่ได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าปฏิรูปปฏิรูปนั่นแล้วตอน ไม่ใช่อย่างนั้นล่ะจริงอาตมาเป็นความเห็นส่วนตัวของอาตมาเห็นว่าต้องทําเร็วขอออกความ point สิ่งที่จะดีสิ่ง ไม่ใช่ข่าวของอาตมามีกองข่าวๆเอ้านี่ไม่ได้มุกนะเรื่อง ถ้าไม่เช่นนั้นไม่ไม่ตัวสังคมมนุษย์ไม่ตัวคุณด้วย atema mạn jai nai khwam ru lae khwam samat khong phu ขอบินทบัดต้อนรับปีใหม่เถอะทําเพื่อประโยชน์ส่วน คือกระทำเลยให้ๆเลยนะยังไงจริงๆแล้วส่งเสริมแล้วชมเชยว่ากล้าหาญ เอ่ยปากพิคุณร่วงออกนิดเดียวเท่านั้น สำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลก็เข้าใจว่าเค้าเห็นอย่างไรให้ชัด กฎนี้ได้รัฐาธิปัตย์เต็มๆอยู่สมควรแล้วใช้เถอะประชาธิปไตยยุคนี้ขณะนี้กาลนี้ถูกแล้วไม่ได้เพื่อใครไม่ใช่เพื่อ แต่เพื่อจริงๆทําเลยนะเอาหน้าจบดี